กูละป บ, บัน <c oughs> <laughs> บทุเทศถ้านเอาถุง้อขึ้นมากายเวทนาจิตทำโปเทศ อานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกไปดูเข้าใจนะแต่ข้อสำคัญเวลานำนำปฏิบัติต้องเข้าใจในมีสติกำกั บ, กบ ระลึกได้สติคือความระลึกได้ <c oughs> เรามาทดสอบหาระลึกดูก็ได้ตัวไหนตัวสติตัวไหนตัวจิตตัวไหนตัวสติสติมันก็เกิดที่จิตนั่นแหละมันก็เกิดจากจิตนั่นแหละเอาเป็นว่า ช่วงใดที่ผู้รู้ของเรามันตื่นรู้เต็มที่นั่นแหะแสดว่ามีสติกากับจดจ่ออยู่สติคือความระลึกได้สติคือความระลึกได้มันก็ระลึกอยู่เนืองเนือมันระลึกตามขนาของจิตมันระลึกตามขนาของจิตเราจะรู้จัก รูเราจะรู้จักว่ามันระลึกเป็นขณะขณะเป็นช่วงช่วงเราต้องมาทำการบริกรรมลองดูและสังเกตลองดูมันจะคานึกมันจะคาปรุงยับยับยับยับยบเราก็ประคองจับยับเราก็ประคองจับแยบเราก็ประคองจับมันเกิดจากจิตนั่นแหละ มันเกิดจากผู้รู้มันเกิดจากจิตช่วงที่มันตื่นรู้ชัดเจนที่สุดนั่นะช่วงนั้นแ่ะช่วงมีสติมันจ่ออยู่กับอารมณ์อะไรมันจ่ออยู่กับอิริยากิริยาของอะไรกิริยาของอันนั้นแหละเป็นอารมณ์ของมันสิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องนั่นแหละสิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องนั้นก็เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ เช่นยังมักกำหนดจดจอที่กายอย่างเงี้ยอำหนดจดจอที่กายน้องจดน้องดูที่กายถ้านให้ดูให้เห็นสับแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่เป็นเราแต่ถ้าหากมันเป็นเราถ้าเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเรามันชอบใจมันดีใจมันไม่ชอบใจนี่ไม่ใช่แล้ว แสดงว่าตัวตันหามแทรกเข้ามานะตัวตันหามแทรกเข้ามาในใจของเราแต่ถ้าหากสักแต่ว่าระลึกรู้เฉยๆไม่มีความอยากเข้ามาแทรกตันหามันไม่โผล่ตันหามันไม่เกิดตันหาใหม่มันคอยแต่จะเกิดตันหาเก่ามันส่งมาแล้วแต่ตันหาใหม่มันคอยคอยแต่จะเกิด ในเมื่อทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเรีบร้อยมันเกิดทุกระยะทุกเวลาโดยที่เราไม่รู้จักว่าอันนี้คือตัวสมุทยัยที่ก่อให้เกิดผลเพิ่มพูนทวีคูณเราก็เลยนั่งยึดเอาแต่สิ่งเหล่านั้นทั้งวันทั้งคืนเราก็กลุงเอาตะกิเดตข้าสูงไว้ใจโดยปกติตัวเก่ามันพาหนาพามืดพาบอดอยู่แล้วตัวใหม่ก็เพิ่มเข้าไปอีกถ้าจะเทียบเหมือนกับเรือหรือนาวาหรือเรือทีม เรานั่งข้ามฝั่งมันรั่วทุกระยะที่มันไปเพิ่มภูนั้นหมายความว่ามันถูกน้ำนรั่วเข้าไปในเรือเราจะข้ามพ้นเราจะข้ามพ้นน้าได้ยังไงเราจะข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นยดได้ยังไงเราข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติ ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าเรือที่ถูกน้ํารั่วเข้าไปน้ําเก่าก็ขังน้ําใหม่ก็ทะลักเข้าไปท่านจึงให้อุดรูอุดรูที่น้ํามันทะลักเข้าไปในเรือในเมื่อเราอุดน้ําน้ําใหม่ไม่เข้าเหลือแต่น้ําเก่าเหลือแต่น้ําเก่าท่านก็ให้วิดออกเรามาดูอันนี้เป็นอุปมาอืนเมื่อรับน้ําน้ําใหม่ไม่เข้า น้ำเก่าเราวิทออกวิทย์ไปทลายมันก็หมดไปฉะนั้นวิทยไปทลายก็หมดไปฉะนั้นนี่เปรียบเทียบมาที่กิเลสตัณหาในหัวใจของเรากิเลสเก่ามันส่งเรามาแล้วกิเลสใหม่มันคอยเกิดขึ้นอีกเพิ่มขึ้นมาอีกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ท่านให้ใหเราเจริญมาสติเอาสติมากำกับตื่นรู้ไม่ปล่อยให้อํานาจของโมหะ อวิชชาตันหาโมหะมันมาครอบขิดมันคือคือคือกิเลสตัวเดียวนั่นแหละแล้วแต่จะเรียกกิริยาอาการเขามันกิเลสตัวเดียวนั่นแหละตัวตันหาตัวเดียวน่ะตัวดิ้นตัวดีตัวดิ้นของขิดตัวเดียวนั่นแหละมันมีเผ่ามีพันุ์มีเชื้อสายมายังไงกิเลสตันหาในหัวใจของ เราไปตามหามันก็ไม่มีพุทธเจ้าธนูโยนไปที่ส่งไปที่อวิชชาอวิชชาอวิชชาอวชาสาวไปสาวไปไม่มีจุดจบนั่นคืออวิชชาอวิชชารวมมาที่ความไม่รู้รู้รู้ไม่จริงรู้ไม่ถูกรู้ไม่ตรงรู้ไม่ทั่วถึงสว่างโย แต่สว่างไม่รอบสว่างส่วนนี้ก็มืดส่วนนั้นสว่างส่วนนั้นก็มืดส่วนนี้ด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้นั่นเลมันจึงมีความสว่างอยู่บ้างผู้รู้คือใจของเราผู้รู้คือธาตรู้้าตรู้มันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมมีอยู่ในโลกคือจิตของเรานั่นแหละมีอยู่ดั้งเดิมในโลกแต่มันก็พัฒนามาข้ามานั่นแหละมันพัฒนามายัางไง กุฎิเจ้าท่านชี้ไปที่อวิชชาอาวิชชาเราดูไปตามหลักอวิชชาที่ท่านชี้ไปเนี่ยมันเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมมันเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมอวิชชาตัวเก่าที่มันส่งเรามาแล้วมันเท่ากับว่าเป็นวัตถุดิบหมายถึงผู้รู้ถ้ารู้ของเรามันเป็นวัตถุดิบที่เรายังไม่ได้ชัดได้ล้างได้ขัดได้เกลา เป็นปวัตถุดิบเหมือนแร่ธาตุที่ดิบๆยังไปเอาไม่เอาไปถลุงแร่ทองแร่เหล็กแ ร, ร่อะไรทัวไหนยังไม่ได้เอาไปถลุงเอามาใช้เกิดประโยชน์แม้แต่ผู้รู้ธาตุรู้ของ เ, เราเช่นเดียวกันมันเกิดมากี่กับการพูเรชาติเราก็ไม่ทราบเลยนี่คืออวิชชาตัวเก่ามันเกิดมาโดยที่เรายังไม่ได้พัฒนาทีนี้เรามาทดสอบในแง่ว่าเราพัฒนา กำลังจะเริ่มพัฒนาเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัติเพื่อชักเพื่อล้างเพื่อสงบเพื่อระงรับกําลังของมันที่มันจะลุกลามเรามาตั้งกําหนดจดจ่อดูว่ามันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอวิชชาตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงหมายถึงอวิชชาตัวใหม่ตัวเก่ามันส่งเรามาแล้วด้วยเหตุที่เราไม่ได้ชักไม่ลาม้าง ไ, ไม่ได้ขัดไม่ได้เก่า วิชาตัวใหม่อวิชาตัวใหม่เรามาดูแค่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอโมหะอวิชามันมาครอบจิตเราทีไรเมื่อไรตอนไหนก็ตามครับพุทโธเราหายไปไหนก็ไม่รู้ละเมื่อตึ๊บไปไหนก็ไม่รู้แหละมันถูกมันครอบแล้วนี่อวิชชาตัวใหม่เกิดขึ้นมาแล้วตราบใดที่เราดำรงด้วยสติ สตินี้มีคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติพิเศษที่จะพึ่งเกิดเพึ่งเจริญในหัวใจของเราในจิตของเราเราเจริญพัฒนาอย่างต่อนเนื่องสติจะแน่นหนามัน่นคงจากสติพื้นๆกลายเป็นมหาสตินีพุทธเจ้าท่านให้เอาหลักอันนี้มาเจริญให้อาหลักอันนี้มาเจริญเช่นอย่างอาวิชชาตัวใหม่ที่มันจะเกิดเนี่ย อวิชชาคือตัณหานั่นแหละตัณหาตัวเก่ามันส่งมาแล้วหรืออวิชชาตัวเก่ามันส่งมาแล้วอือวิชชาตัวใหม่มันจะเกิดหรือไม่ก็ตัณหาตัวใหม่มันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นจากช่วงขณะที่จิตของเรามันเผลอมันดูไม่รอบดูไม่ชัดพิจารณาไม่ชัดพอกวอกแวมแหวแล้วก็ยึดเอาถือเอาวอกวอกแวมแหวแล้วก็ยึดเอาถือเอา ถ้าดูให้ชัดเจนทุกบททุกบาททุกเรื่องตัณหามั่แทรกไม่ได้โดยเหตุที่ลมความรวงหลอกรวมของมันเนี่ยกิริยาของมันวอกวอ ก, อกแหวมแหวขึ้นมาเห็นไม่ชัดไม่เจนเนี่ยตัววอกว ก, กแหวมแหวเนี่ยมันเป็นกิริยาปนเพื่อนมากับตัณหากิริยาปนเพื่อนมากับอวิชชามันลีลลับลับวอกว ก, กแหวมแวมแพับเดียว เอ๊ะชักติตใจอ่าพวกแบบแ บ, บแพรแบบเดือดเอ๊ะชักจิตใจถ้าดูให้ชัดเจนแท้อเรามาตั้งกำลังจดจ่อพิจรารณาให้จริงจังเข้าไปท่านจะให้เรามาพิจรารณามีแต่ของปฏิกูลโสโครอบเท่านั้นเชอย่างเรามีความกำํำลัดในรูปในอวัยวะของคนของเราของท่านเนี่ยมีความกหนัง มีความชอบใจสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องไปหมดแหละนอกจากกําหนดในตัวบุคคลแล้วก็กำหนดในสิ่งในของของใช้ของสอยทั่วๆไปมีความชอบใจมีความพอใจท่านจึงให้ใช้สติกําหนดยดจ่อกํากับดูแลเมื่อสติกําหนดจดจ่อกํากับดูแลเวลามันเกิดเส้นสายที่มันเกิดมันเกิดมาจากอยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกกระทบกัน มันต้องมีสิ่งกระทบกันใช่ก่อนมันจะเกิดขึ้นมาเป็นรอๆอยู่เฉยๆมันไม่เกิดมันไม่มีเหตุแต่ด้วยเหตุที่รูปมากระทบตาเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาหรือไม่ก็หลับตานี่แหละแต่จิตของเราไปสัมผัสอารมณ์เก่าๆทุกระยะทุกเวลามันเป็นกิริยามันเป็นประกายมันเป็นเหตุเป็นอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอก เกิดกิริยาเกิดปฏิกิริยากระทบขึ้นมาเกิดผัสสะเกิดเวทนาอายตนะภายในอายตนะภายนอกเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเรามาไล่ดูตามระลอกของมันเกิดวิญญาณเกิดผัสสะคำว่าวิญญาณหมายความว่ารู้แจ้งรู้แจ้ง แต่ถ้าหากยังรู้เต็มแพร่ก็เรียกวิชาตัญหาคือรู้อยู่แต่มันรู้อย่างไม่แจ้งแต่ช่วงนั้นกิริยานั้นถ้าเรามีสติสติกำลัดจดจ่ออยู่ท่าเรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งวิญญาณวิญญาณเรียกว่ารู้แจ้งตามรูปสัตว์รู้แจ้งคือมันชัดเจนที่สุดโอ้ตาไปสัมผัสรูปภาพโอ้รูปดีรูปไม่ดีรูปงามรูปไม่งามรูปน่ารักไม่น่ารักอื โดยปกติกีทั้งคนเรามันมน้มเอียงมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็เพราะว่ามันติดใจมันพอใจสิ่งที่ดีมันก็ชอบสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ชอบมันรู้จักเลือกแล้วเกิดนะะเหมือนกับเรานี่แหละกิเลียในใจว่าเรามันรู้จักเลือกเหมือนกับเรานี่แหละสิ่งที่ดีที่งามมันชอบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันไม่ชอบดูแต่ของสวยงามชอบใจของไม่สวยงามไม่ชอบใจ ดูใบหน้าคนคนรูปมามถูรกริตนิสัยชอบใจแวบก็ลึกเข้าไปถึงหัวใจแน่คนไม่ชอบใจพลักออกไปมันเป็นอย่างงั้นแหละไม่รู้อะไรของมันแท้ที่จริงก็คือความดิดนดิ่นของตัญหาที่มันเกิดขึ้นจากความสัมผัสกันตาสัมผัสรโร ค, คเครื่องต่อข้างในก็เราคือตาเครื่องต่อข้างนอกคือรูปเกิดกันแล้วเกิดสัมผัส เกิดประกายจกิประกายอันนี้คือสาเหตุต้นต่อที่จะเป็นเหตุให้เกิดตัญหาเก่าตัญหาใหม่สาเหตุต้นต่อเพราะฉะนั้นท่านจึให้เจริญสติกำกับตาเห็นรูปเห็นมันสักทว่ารูปจริงๆถ้าสติเรากำหนดจดจ่อรูอยู่มันเห็นสักทว่าเป็นรูปจริงๆแล้วเราจะว่าอะไรและเจะรแ ล, แ ล, แล้วแล้วเราจะว่าเจ้าวิญญาณจะพัฒนา ว่าเวทนาจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้า <c oughs> เราให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเวทนาตัวนั้นก็แสดงตัวปรากฏคือยินดีแล้วก็ยินร้ายยินดียินดีก็คือชอบใจพอใจยินร้ายก็คือไม่ชอบใจไม่พอใจคือใจมันไม่ชอบเวทนามี ทั้งเฉพาะอารมณ์ไปในใจและมีทั้งในกายกายเราสุขสบายกายเราเจ็บปวดสุขขเวทนาทุกขเวทนาพุทธธมามาถึงที่จิตจิตยินดีจิตยินร้ายตราบใดที่เรามีสติกาจดจ่อรูอยู่<ม>ตาสักต่อว่าเห็นรูปสัมผัสรูปเฉยๆเท่านั้นเองและถ้ามีธรรมะตัวอื่น ประกอบกำกับเข้าไปวิจิยสอดส่งใคร่ครวนพิจารณาแยกแยะอะไรต่ออะไรเนี่ยดูให้เห็นหลักความเป็นจริงของมันมท่านให้เราดูให้ใช้สติที่กำกับจิตจิตตื่นรู้ชัดเจนอยู่ตอนนั้นเอามาใช้พิจารณาหลังนี้ท่านยิงให้เอามาเจริญเป็นหลักมหาสติหลักมหาสติปัฏฐานอาศัยสติ ตื่นรู้เอาผู้รู้กำกับจิต ด, ดวงนี้อืสว่างโรดูตามตลอดไม่ปล่อยให้เจ้าตัวตัณหาปล่อยขึ้นมาตัณหาคือความอยากพอมีสติกำกำับ ก, กำหนดจดจ่ออยู่ตาเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเฉยรู้อยู่ว่ารูปดีแต่ใจไม่ยินดี รู้อยู่ว่ารูปไม่ดีแต่ใจไม่ยินร้ายมันเกิดเป็นระลอกระลอกระลอระลอกพยายามสังเกตสังการดูมันเกิดเป็นระลอกระลอกระลอกของมันรู้อยู่ว่าของดีของไม่ดีพระอริยเจ้าท่านรู้รู้วันแหละรู้ว่าดียวเนี่ยแต่ใจมันไม่ติดใจท่านอมันไม่จิตไม่ติดใจท่านเพราะมันรอก เต็มรอบหมดแล้วว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรอะไรคือเป็นเหตุอะไรคืออะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยอะไรเป็นเหตุส่งให้เกิดอะไรท่านจะรู้เกิดเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเห็นอยู่รู้วันดีแต่ก็ไม่ยินดีรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ไม่ยินร้ายรู้สักเท่าไหร่รู้เฉยเฉยมีสติกำมือกำลัดจดจ่อยู่นี่ตัณหาใหม่ไม่เกิดทุกขเวทนาไม่เกิดทุกขเวทนาไม่เกิด อทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม่เกิดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าจิตพระอาหารหันต์ไม่มีเวทนาจิตพระอาหารหันต์ไม่มีเวทนาคือตัวสติตัวปัญญามันตัดสินก่อนหมดแล้วอะไม่มีไม่มีไม่มียินดีไม่มียินร้ายไม่มีเวทนา มายถึงจิตของท่านไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาแต่รู้เวทนาอยู่รู้เวทนากายกายสุข ก, กายทุกข์รู้อยู่อจิตรู้ว่าสิ่งที่ไปสัมผัสเนี่ยดีหรือไม่ดีรู้อยู่แต่ไม่มีความยินดีภายในใจไม่มีการยึดเข้ามาไม่มีการผลักออกไปกิริยาเหล่านี้เป็นต้นต่อ ที่เป็นเหตให้เกิดตัญหาใหม่ถ้าเรามาสงบระ ง, งับตรงนี้ได้ด้วยวิธีการเอาข้ออัดข้อธรรมมากำกับมาปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราเจริญเพระฉะนันพระบาอาจารย์ท่านจึงให้เราเจริญสติเจริญสติเจริญมหาสติพระเจ้าท่านจริงว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่ครอบไปหมดบรรดาคำสอนแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ของพระอคอาศัยสติตัวนี้เนี่ยครอบไปหมดเหมือน รอยเท้าของช้างครอบรอยเท้าเล็กๆทั้งหมดคําสอนของท่านทุกกานเทศทุกกันนับตั้งแต่เริ่มปฐมเทศนาไปจนนู่นกันไหนไมันรู้กันไม่ประมาทนี้ไงที่ว่ากันสุดท้ายที่สุดปชิมโมะบานตัวนี้เลยตัวสติตัวมหาสติตัวเนี้ยเทียบเหมือนกับรอยช้างครอบรอยเท้าของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงมาครอบไว้หมดได้ ลราเจรย์ยังไงเราทำยังไงให้มันเข้าหลักมหาจิติปทานมันเข้าอย่างไนี้ทั้งหมดรู้ที่เกิดของตัณหากับรู้ที่ดับของตัณหาเรารู้รู้อยู่แก่ใจได้จริงๆว่าโอ้ด้วยเหตุที่เรากลั่งเผล อ, อย่างนี้ตัณหาเกิดตัณหาใหม่เกิดทำไมยังเกิดเพราะอันเก่ามันส่งมาแล้วมันมีมาแล้วถ้าอันเก่าไม่มีไม่ส่งไม่มีมาแล้วไม่ส่งมาแล้ว มันก็คือเป็นผู้บอยสุดมาแล้วไม่มีอะไรมาเกิดไม่จเป็นจะต้องมีอะไรมาเกิดด้วยเหตุที่มันมีตัณหาเก่าโสงมาแต่ด้วยเหตุที่ไม่เคยชัดเคยล้างเคยขัดเคยเกา่าพระเจ้าท่านก็เลยเอาวิธีการนีมน้มาสอนเพราะพระองค์แจ่มแจ้งภายในพระไตรของพระองค์อุบายวิธีสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพยุตยาฟังดูสิอุบายวิธีร้อยแป เรสอนให้หมดสัพยุตยานสพัพพยุตยานมีญานสรพัดทุกอย่างคือความรู้เป็นตะกรนมังจดจอท่นั้นรู้อย่างรู้ได้ไปหมดทุกอย่างทุกเรื่องรู้วิธีที่ตันหาใหม่เกิดรู้วิธีที่ตันหาใหม่ไม่เกิดโดยเหตุที่รู้จักวิธีว่าตันหาใหม่ไม่เกิดทำยังไงตันหาใหม่มันจึงไม่เกิดนี่วิธีจริยสตินี่แหละตัหาใหม่ไม่เกิด ตัณหาใหม่ไม่เกิดมันก็เข้ากับหลักที่ว่าสังวรประทานสังวรประทานใช้สติกำหนจจดจดจ่อสังรวมและมระวังอยู่เป็นสังวรประทานระวังบาปใหม่ไม่ให้เกิดระวังตัณหาใหม่ไม่ให้เกิดตัณหาเก่าที่เกิดแล้วมีแล้วท่านพยายามให้พยายามขุดคุ้ยออกเหมือนเหมือนอย่างนา้ําน้ําใหม่ไม่เข้าน้ําเก่าพยายามพิชิตออก น้ำเก่าพยายามที่จวิตัยยังไงสมมติตัณหาใหม่มันไม่เกิดในใจของเราและตัณ ห, ห, หาเก่ามันจะอยู่ตรงไหนตัณหาใหม่ตัณหาเก่าตัณหาเก่าก็กคือแรงอุปาทานนี่แหละแรงปราทานในเมื่อตัณหามันเกิดไม่ผ่านเวทนาสักถวรูุไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเมื่อในเมื่อมันไม่ผ่านเวทนาไปตัณหาไม่เกิด เวทนาเป็นเหตุปัจจัยเกิดตันหาเมื่อผ่านเวทนาไปเราทํางานตามอํานาจของกิเลสมันผ่านไปมันก็เป็นยินดีมันก็เป็นตันหาเวทนาแล้วก็ตันหาตันหาแล้วก็อุปาทานแล้วก็พบแล้วก็ชาติในเมื่อตันหามันไม่เกิดอุปาทานก็มันเกิดอุปาทานก็คือการยึดเอาที่เอามันทํางานชับเดียวนั่นแหละไม่ต้องมาไล่อันนี้พุทธเจ้าท่านไล่มาให้พวกเราเข้าใจ มเส้นสายของมันเนี่ยชัดเดี่ยวมันทั่วถึงกันหมดวันนี้ที่ท่านมาไล่หลักปฏิจจสมุปบาทนี่ท่านมาไล่ไล่ให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเหมือนกับว่าระลอกแรกมันส่งต่อเป็นชวงเป็นชวงเป็นชวงเป็นช่วงเป็นช่วมือนคลื่อนละโยนก้อนหินต้มลงไปเนี่ยระลอกแรกกับน้ํากระเพื่อมป๊อกป๊๊อกมันก็ตีกันเป็นระลอบที่หนึ่งที่สองที่สาที่สี่ที่ห้าตีไปเรื่อยๆกันหมดแรง จนหมดแรงตีมันส่งกันมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงถ้าอยู่เรายังให้มันเดินตามเส้นสายของมันได้มันผ่านตันหายินดียินร้ายยินดีก็คือตันหายินร้ายก็คือตันหาอุเบกขาก็คือตันหาคือมันเฉยมันเฉยเพื่อที่จะยินดีมันเฉยเพื่อที่จะยินร้ายไอ้ที่ว่าเฉยเฉยเนี่ยมันเฉยเพื่อจะดีใจมันเฉยเพื่อจะเสียใจ ในเมื่อมันไม่ผ่านตรงนี้ด้วยเหตุที่มีสติกำหนดจดจ่อรูมเท่าทันอตัณหาไม่เกิดตัณหาใหม่มันไม่เกิดตัณหาเก่ายังอยู่ตัณหาใหม่ที่จะเกิดมาเพิ่มมันไม่เกิดมันเข้าหลักที่ว่าสังวรประธานเราพยายามเจริญภาพปฏิบัติโดยวิธีการเจริญอย่างนี้ตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่า เราก็พยายามใช้ใช้สติกำหนดจดจ่อพิจารณาเหมือนกับ น, น้ำเก่าที่เราพยายามวิทย์ออกวิทย์ออกวิทย์ไปตรงไหนในกายของเราวิทย์มาที่กายเพราะเราหลงกายวิทย์มาที่เวทนาเพราะเราหลงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคันทั้งห้าในเราหลงให้เอาจิตเอาสติเอาสัมผััญญาเอาปัญญาประกอบกันด้วยความภาคความเพียรมากำหนดจดจ่อพิจารณา การพิจารณาเพื่อทำลายความหลงนี้เองเท่ากับว่าเราวิทน้ำออกเราวิทน้ำออกอในขณะที่เราทำมนันเราพยายามกำหนดจดจอ่อลองดูว่ากายเรากายเรามันยึดเหลือเกินว่ากายเรากายเรากำหนดจุดจอ่อดูไปตรงนั้นดูไปตรงนี้ดูมาที่ผมดูมาที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังนี่ท่านให้กำหนดไล่อาการสามสิบสองนี่หากเราเข้าใจแล้วมันพลิกเพลงแล้วนะมันไปได้หมด ลำกำหนดไลาา่แต่ละอาการแต่ละอาการมันจะมีภาวะเหมือนกันหมดอย่างที่เราสวดเกสาล ร, รามาเมื่อกี้นี่ท่านก็ให้เรามากําหนดในแง่กายคตาสติกายคตาสติมีสติเป็นไปในกายมีสติเป็นไปในกายมันเป็นการแยกแยะอาการสาบสเนื้อมันก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่มีเราไม่เป็นเราท่านให้มัรูปมาแยกแยะ แต่เรายึดแล้วเกินไอเราเนี่ยมันขึ้นใจเรากายเรากายของของเราอด้วยเหตุที่ว่าเราสําคัญมั่นหมายผิดอย่างนี้เองเรายึดอยู่เรื่อยเพิ่มอยู่เรื่อยยึดอยู่เรื่อยเพิ่มอยู่เรื่อยเกาะอยู่เรื่อยเพิ่มอยู่เรื่อยเกาะอยู่เรื่อยเพิ่มอยู ấy, ่เรื่อยท่านจึงให้พิจารณาคลี่คลายกดจดจอดูให้เห็นสักว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างทําลักษณะอาการของมัน เป็นผม mm hmm. เรื่องการทำสมมุติไม่มีไม่ใช่ผมเราไม่ใช่ของของเราเป็นขนเป็นเล็บเป็นฝันสักจะว่าลักษณะแต่ละลักษณะของ mm hmm. ของรูปธรรมของ mm hmm. ของรูปธรรมของเราเรากําหนดเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งมันจะแตกกระจายกันไปหมดแหละมันจะเหมือนกันหมด mm hmm. เข้าใจอย่างเดียวเข้าใจเรื่องเดียวเขาจะเข้าใจไปทั้งหมดกำ mm hmm. หนดจดจ่อพิจารณาไล่ร mm hmm. กายกัาสติปฏิกูล่ะ mm hmm. กายคัาสติกำหนดเอาสติกำหนดจดจ่อเป็นไปในกาย mm hmm. แท้ที่จริงกายนี้มันก็ปฏิกูลมันก็สุภาษมันปฏิกูลมันโสโครกเราดูในแง่ปฏิกูลมันปฏิกูลเราดูในแง่โสโครก mm hmm. มันโสโครก ดูให้ถึงหลักความจริงแล้วมันจะเลยปฏิกูลไปมันจะเลยโศคร่กไปเห็นสักดิ์สิเป็นสภาวะธรรมเท่านั้นเองเห็นด้วยความรู้พิเศษของเราเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยสภาวะเห็นศักดิ์ทธิ์เป็นสภาวะเหมือนอย่างเราเห็นซากศพที่น่า นอนจ่อโยเยยุบยับยุบยับยุบยับเห็นตะก้นนอนเนี่ยดำดำยุบจับยุบจับยุบจับยุบจับยู่จัมันดันเข้าดันออกทะลักไหลกระจัดกระจ้าอยู่นอนนอนเป็นตับตับก็จัดกระจายอยู่น้ำเหลืองน้ำเขียวเยอะยุบจับยุบยับยุบยับยุบจ้าดูให้เห็นเป็นของจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่าง แต่ถ้าเราไม่เคหมำหนจดจอพิจารณาดแูแล้วเห็นเราเห็นเพียงตตาเราไปสัมผัสเราก็จะสลบแล้วจะเจียนแล้วแต่ถ้าเรามีสติกำหนดจดจอพิจารณาเราดูโอน้ำเหลืองก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งน้ำเหลืองน้ำเขียวเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งของเมันก้อนว่าที่กลิน่นกลิ่นก็สักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันหาความสสเสียเสียนไม่ได้ ถ้าเราสามารถทำจิตได้ถึงขั้นนี้ระดับนี้หมายความว่าจิตของเราเข้าถึงรลับธรรมชาติที่แท้จริงได้มันไม่มีอะไรน่ายินดีไม่มีอะไรน่ายินร้ายโดยไม่เลยเถือนี้ไปเหตุที่ท่านให้เราปฏิกูลมากรรมมาดูแลในการพิจารณามันเหมือนกับเป็นโลมาปกป้องถ้าเราไม่มีโลอนนี้มาปกป้อง ท่าหามันแทรกเข้ามาที่ใจของเราได้ง่ายกอกาสที่เราจะพิจารณาจิตไรเข้าถึงหลักความเป็นจริงเลยเนี่ยเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงยากเพราะว่าสัญญาอารมณ์เก่ามันติโอ้ผิวงามๆผิว ข, า, ขาวๆเห็นว่า ข, า, ขาวๆงามยึดสิสันฐานอย่างนั้นสันฐานอย่างนี้รูปงามอย่างงั้นรูปงามนี้ยึดสิมันไม่ได้เห็นสักวทั้ว่าเป็นธรรมชาติ ท่านจึงให้เราปฏิกูลเพราะปฏิกูลนีมันเป็นสิ่งที่มันผลับจิตให้เกิดสลบใจให้เกิดสัมเวชใจให้เกิดสะอิดสะเอียนในใจมันจะทำให้จิตจิตของเราไม่เกาะจนกว่าธรรมชาตินั้นจะโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราแต่เมื่เหล่านี้เราพยายามทำให้เข้าถึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันจะเชื่อมประสานกันไปหมด เกิดความรู้เหนหัวใจเกิดพลังในหัวใจเราทุกยากลาบากหัวหมุนตั้งแต่กวิทไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนอยู่จนทุกวันนี้เพราะอะไรก็ เ, เพราะเราไม่รู้อะไรคือหลักความจริงอะไรคือข้อเท็จจริงแสวงหากับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ต้องการอยู่ทุกขยับทุกเวลาไม่เคยมีความพอ มีคนมาขัดมาขอว่าเขียดแขนชิงชังอาฆาตพยาบาทฆ่าแกงกันอีกตั้งหากับกิริยาผิวเผินของธรรมชาติเหล่านี้ฤทธิเดชของมันเนี่ยดูซิดูเราดูเราใช้ทำอะไแเราก็ ด, ดูดูคนทั้งหลายในโลกพิจารณาทำหลักเขาทำแล้วเราก็ดูเขาไม่แย่งอะไรเลยรู้แย่งควันอ่า แย่งควันแย่งเปลวแย่งกลิ่นแย่งอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไม่เคยยั่งลงไปถึงไอ้ต้นต่อที่มันมันมั น, มนเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดเปลวเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นถ้าเราจะดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาการของไฟก็เห็นเฉพาะควันเห็นเฉพาะเปลวเห็นเฉพาะสีของไฟทัานเอง เขาไม่ได้เห็นนตอนที่ตอนช่วงที่ไฟกับฟืนมันกัดกันเขาไม่เห็นธาตุไฟกับธาตุฟืนมันกัดกันเขาไม่เห็นพุทธเจ้าท่านเอาสิ่งนั้นมาเปิดเผยสิง่งนั้นมาเปิดเผยท่านไล่เปิดเผยให้เรารู้จากอายุธนาภายในอายุธนาภายนอก อ, อาศัยตามันออกไปจางตาอาศัยจิตนั่นแหละถ้ารู้นะ่ะมันออกไปจางตา มันออกไปทางหูออกไปทางหนู่มจมูกลินกายและมันนึกใคร้ครวนในที่ของมันใจถ้ารู้มันอยู่ในกายของเราเนี้ถ้ารู้ใจใจใ จ, จิตจิตใจภาษาไทยจอไส้ไม่มลุไม่มล า, ายใจจิตจิตภาษาบาลีจิตตั้งจิตตัดแล้วแล้วต่จะเรียกตามกิริยาการเข้ามัน ภาพปฏิบัติท่านไม่ใช่แยะๆคาสมมติมากถึงขนาดนั้นถ้าให้มาดูอาการจริงๆของมันมันจะไม่สงสัยไปเลยแหละให้มาดูเรื่องจริงมาดูของจริงดูกิริยาอาการความจริงของมันจะทําให้เราเข้าถึงรู้ละเอียดทั่วถึงได้เร็วไม่ ง, าามงั้นมันวนๆแต่ปติดคําสม ม, มุติรู้มันเอ้าคำนี้ทําไมผิดกับคํารู้น คำนี้ทำไมไปตีกับคานู่ความหมายเหมือนกันความหมายต่างกันเอ๊ะใส่เข้ามาทำไมทั้งสองความหมายอันเดียวกันแนี่ันก็และแต่จะว่าไปเวลาทำท่านให้ดูเขาดูของจริงดูของจริงที่ปรากฏมันมีอยู่เราศึกษาแบบเมื่อเราเราไม่ได้รู้หลักเลยก็จะพิดกักอะไรเลยมาจากหลักธรรมชาติที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเนี่แหละมาพิจารณาอย่างนี้ มันทำให้เรามีงานตะล่มเข้ามาตะล่มเข้ามาตะล่มเข้ามาเร็วกว่าที่เราไปตะล่อมหนองหมดทั้งหนองเราไปตะล่อมเข้ามากับน้ำที่มันงวดแล้วจับเฉพาะกิริยาการเห็นจยุบยุยุบยุยยบโอ้ปลามมอยู่ตรงนี้อ่าสุ่ม้าไปเลยก็ลงไปเสร็จเนี่ย กอทุกกองโทษมันเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ทีนี้มันดับมันก็ดับตรงนี้แหละมันเกิดไม่ได้มันก็ดับมันดับตรงนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตรงนี้พอพอมันไปถึงนั้นน่ยมันดับมันไม่ใช่ไปถึงนั้นแล้วมันดับนะมันดับมาตั้งแต่ตอนกิริยามันเกิดเช่นอย่างตาหูจมูกมันไปสัมผัสตั้แต่ทีแรกมันดับเพราะเวลามันทางานม๊นอกเดี่ยวมันถึงเงินหมด แต่เวลาเรามาพูดว่า อ, อันนั้นเปกระทบอันนั้นน้ำกระทบอันนั้นน้ำกระทบอ น, นั้นแต่ธรรมชาติที่มันมันเป็นมันเร็วแป๊กเดียวมันทิ้กันหมดมันไม่เป็นกรรมมันก็ไม่เป็นอั้แต่ทีแรกเนื่องจากว่าเรามีสติกําหนดจดจอธรรมชาตินี้ทํางานอยู่แต่ทํางานขึ้นมาแล้วตัญหามันต่อไม่ติดตัญหามันต่อไม่ติดเพราะประกายไฟคือสติคือปัญญา มันกําหนดจดจอ่อมันจะเกิดมันจะเกิดที่จิตตรงนี้แต่ถ้ากจิตตรงนี้มีผู้ตื่นรู้สว่างโรูอยู่จิตทํางานได้ครั้งล ะ, ะครั้งละอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดไม่ใช่สอาอารมณ์ก็ชัดเจนไม่ใช่ชัดเจนครั้งละหนึ่งอารมณ์โดยเหตุที่เราจินชาเท่านั้นเองเมื่ออย่างเราดูทีวีเงี้ย เห็นตั้งรูปเห็นได้ยินตั้งเสียงแล้วเข้าใจไปได้วยเหตุที่เราใช้สัญญาอารมณ์ที่เราใช้เป็นประ จ, จํามาจับมันถึงทําให้เราดูแล้วเข้าใจไปเพราะ <c oughs> แต่ถ้าจะให้เขาชัดเจนเขาชัดเจนเต็ม ร, อร้อยเเซ็นครั้งละหนึ่งอรารมณ์ด้วยเหตุที่สติของเรากำหนดจดจ่อเต็มร้อหนึ่ง <c oughs> เพียงอารมณ์เดียวอารมณ์ของโงะมันถึงครอบไม่ได้อารมณ์ของวิชาอารมณ์ของตัณหามันถึงครอบไม่ได้ที่เกิดที่เกิดที่เกิดมันตรงนี้มันเกิดไม่ได้มันก็ดับมันก็ดับตรงนี้มันเกิดตรงนี้ไม่ได้มันดับตรงนี้ไม่ได้แล้วก็วกไปเล่นงานของเก่าของมันมูลมรดกของมัน่ะมันยึดมันเกาะเหนียวแน่นเหลือเกินพิจารณากาย รวจดจอปฏิกายปไปไล่เป็นพรามเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี้จับอะไรจะเหมือนกันหมดเราเห้าใจห <c oughs> ลักมาสติปัานอมากเกิได้หมดแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างเดียวทะลุทั่วถึงกันหมดพิจารณาอิทธิยาบทยืนเดินนังน่งนอนพิจารณาสามัญชา เมื่ออยากที่เทวบาก็เิสัปรีโหติสัพปชัญญะค่ะรีโหติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเวลาสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะขมักจะมาพร้อมสัมปชัญญะเสริมสติสติเสริมสัมปชัญญะแต่มันก็เกิดในในจิตดวงเดียวนั่นแหละทาให้จิตดวงนี้ เพิ่มความสว่างมากขึ้น เ, เพิ่มความชัดเจนมากขึ้นสติคือความนึกลึกยักสัมปัญญะมาพ อ, พรอประคอสัมปชัญญะประกอบยักประคอบยักประคอบยักประคอบเอาต่อเนื่องไม่มันเกิดช่องนเมื่อมันไม่เกิดช่องก็ตันหามก็แทรกไม่ได้เผลอปักมันเข้าแทรกเผลอปักมันเข้าแทรกําลังของความหยา ด้วยเหตดที่ธรรมชาติมันเกาะเกี่ยวมันผูกพันกันมาปีกับปีกันนี่เองมันถึงเหนีนยวแน่นมัดนคงมันไม่กล้วยๆนะเหมือนกล้วยบอกกล้วยเขาปากนะ <c oughs> มันไม่มันไม่กล้วยๆถ้าเอาเป็นเอาตายใส่ไว้จะรู้เรื่องเอาเป็นเอาตายใส่จริงๆอนอกจากคนที่เขาเบามาแล้วเขาบางมาแล้วนะ ง่ายบรรลุง่ายเหมือนอย่างพระพายอย่างนี้เธอจงเห็นสักเท่าว่าเห็นสักเท่าว่าเห็นจริงๆน่ยตัณหาไม่เกิดนะแสดงสติสัมผัญญจเรนั้นสักเท่าไหรเห็นจริ ง, รงคือไม่ยินดีในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในสัมผัสนั้นในอารมณ์นั้นนั้นเห็นสักเท่าไหรจริงๆ ยังไม่จบหนึ่งกระดาษเลยตึงเดี่ยวเป็นภาษาอังกฤเป็นผู้ตัดสินเร็วเป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติพเราทําความเข้าใจในขณะเดียวกันก็ทำความศึกษาแล้วเอามาถือเป็นเป็นเครื่องปฏิบัตินําสู่ความปฏิบัติแล้วพูดถึงปฏิบัติที่ไรเมื่อไรเราจะเอามาที่ใจของเรา มันจะได้อ่านจจได้ทมันจะได้งานได้การขึ้นมาทันทีอย่าไปจ่อไปที่ตัวหนงันงสือนั้นตัวหนังสือนี้จ่อมาที่อาการของจิตของผู้รู้ของจิตเนี่ยศึกษามาที่ของจริงจับที่ของจริงเลยเราไม่จะเป็นต้องรู้อะไรแ ล, ล่เราจะอาการของจริงโอ้มันเกิดตรงนี้จอ่อรัสติเราสร้างขึ้นมามันก็เป็นหลักธรรมชาติหนึ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงปรากฏอยู่ในจิตของเราจริจง ไม่ต้องไปส่องไปสวงหาที่ไหนของมันมันมีจริงเป็นอยู่จริงชัดที่นี่ผัดที่นี่กล่าที่นี่เกิดเกิดมากเกิดน้อยเกิดช้ามันอ่อนแรงไปเรื่อยอ่อนแรงไปเรื่อยอ่อนแรงไปเรื่อยรู้ทัวถึงไปรืยละเอียดไปเรื่อยแต่อย่าลืมว่าตัญหามันเกิดมาที่จิตดงเดียว ทำมันก็เกิดมาที่จิตดวงเดียวในเมื่อในเมื่อธรรมะมันธรรมะคือสติคือปัญญาจะพึ่งเกิดจะพึงรวดเร็วจะพึงพวดพลาดในใจของเราดวงเดียวเนี่ยตัณหามันก็เกิดในใจดวงเดียวมันก็พวดพรากเดียวทําได้เหมือนกันมันก็ทำได้เหมือนกันพอมาขัดกล้ามฉะมาล้างสติปัญญาของเราดิบดีเนี่ย ตันหามันก็ใช้จิตตรงนี้มันก็ดีเหมือนกันถือว่าเร็วมันก็เร็วเหมือนกันน่ใช่ไหมมันกลายเป็นคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้กันไปเรื่อยๆถ้าว่าเราสมมติเราแข็งแรงขึ้นคู่ต่อสู้มันก็แข็งแรงเหมือนกันคําว่าเราเราในี่นี้หมายถึงว่าจิตของเราหรือว่ามันเริ่มฉลาดขึ้นอวิชชาคือความโง่ที่มันจะพึงเกิดขึ้นหัวใจของเรามันก็รวดเร็วขึ้นได้เหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นจาก จิตดวงเดียวเนี่ยมันเหมือนกับมันอาศัยฐานเดียวกันอาศัยฐานเดียวกันฐานคือผู้รู้คือที่เราอาศัยฐา น, นเดียวกันจึงประมาทไม่ได้มักง่ายไม่ได้ต้องระมัดระวังให้ความสำคัญทุกทุกขันกข้ น, ท, นทุกตอนทุกอิริยาบถ ในครัวต่อไปเขจะเริ่มเก็บเลยนะของเนี่ยเนี่ยบิดาก็กําหนดวันให้เขาแล้วเนี่ยวันที่สิบเ็ดใช้เขามายกเนี่ยก่อนจะถึงวันนั้นเขาจะต้อง เ, เปิดฝาออกก็จะต้องให้ขนนั้นออกขนนี้ออกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอันไหนจะย้ายออกจากบริเวณโรงครัวค่อยย้ายออกรวมไปถึงที่เก็บตู้ยงตู้เย็นทางนู่นะขนมาเก็บด้านนี้ให้หมด ให้มาช่วงให้มาทำช่วงเช้ากับช่วงคำ่ำแม่ชี้แม่ออกไม่ไปเดินเพ่นพ่านเวลาเข้ามาทำงานเก็บปลายก็เก็บตอนเช้าเก็บให้มันเสร็จช่วยกันเก็บให้มันเสร็จไม่ใช่เดินเก็บอยู่นั่นแหละเดินไปเดินมาจะชนพระอยู่นั่นน่ะพระก็ทำงานไม่สะดวกงานเหล่านี้นเป็นงานที่พระลามมาช่วยดูแลกำกับอูแ ล, ลช่าง ปล่อยช่างทาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันไม่ใช่งานของเขาพอเราไม่อยู่เขาไม่เห็นเราไม่เห็นเธขาตกตาแล้วทํำลวกๆเราเลยให้บอกกันให้เข้าใจนะใอ้ครัวอไหนควรจะเก็บเก็บเก็บเก็บช่งชวงเช้านี่แหละแม่ออกมามากมาเยอะๆเนี่ยช่วยเก็บช่วยยกช่วยน้นช่วยนี้อื กลางวันพระเขาจะได้มาทำงานเดินดูเดินไล่บางทีเราไปเดินก็ไม่สะดวกหรอกไปเดินก็ไปเจอพวกนี้แหละเดินช่วยดูนู่นด้วยช่วยดูนี่ให้งานมันเร็วขึ้นช่วงไหนมีเวลาก็ไปเก็บนไหนอยู่ตรงไหนก็เก็บถ้ากิณจำเป็นว่า เตาที่เราจะใช้เตาเก่าแล้วนะเหลือวันหนึ่งหรือสองวันที่จะถึงเช่นอย่างเขาจะมาวันที่สิบเดืนนี้อันนั้นเราค่อยย้ายออกมาก็ได้นอกจากนั้นอันไหนเกะกะย้ายมาก่อนก็ได้ย้ายมาเลยพต๊ะพวกอะไรเนี่ยเกะกะที่อยู่ไม่ได้อตอนนี้เป็นตอนแยกเป็นตอนทําลาย เป็นจ่อเป็นตอนรือค้นแหละตอนนี้ยทำลายบ้านปวกสาเหตุคือปลวกลวนะั่นแหะปลวกมันขึ้นหมดทั้งหลังอมันขึ้นมันกินมันห่างตัวแม่มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แหละเหลือแต่รอยมันเลือดหลือแต่ซากมันจะตกใส่หัวมา น, นมันผุมันพังตกลงเราเสียดได ถ้าเราตทำทําตามหมอที่หมอคอนแนตนี่เขาก็เอายาวยี่สิบเมตรกว้างสิบแปดเมตรเฉพาะโรงโครัวนั้นแหะตัวโกะเก่าตกลงเราเสียดายไม้ไม้เหล่านี้ถ้าเราเอาลงมาแล้วก็หายหมดทิ้งหมดให้มีอยู่บนนั้นแหละจะยกขึ้นให้สูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนร่างคาใหม่เป็นกระเบื้อง <c oughs> แค่นี้เราก็ใช้ไป พวกเราไปก่อนมันเน่ยไปก่อนมันแน่ๆหละแหละ mm. พวกเราตายก่อนมันเนี่ยพวกขึ้นไม่ได้ทั่วไม่ได้ไ mm. ม้ยันทันหน้าเปียแต่เสื่อยนะดูที่ mm. มีนี้จันทันที่นี่หน้าเปีที่ไหนหน้าหกโคนิว้วยันทันหน้าเปีย แข้ยกเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเปิดหลังคาให้มันให้มีช่องระบายให้มบนบดลังคาเปิดลังคาเหมือนกับตัวเนี้ยตัวที่เราขึ้นใหม่เนี่ยแต่มันไม่มีมันไม่มีช่องจังหวะเสาดอกมันไม่มีช่องจังหวะเสาจะเปิดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยมากะเกณฑนใหม่ เรามันไม่มีสถาปนิกประเภทไรดอกมันสถาปนิกทำไปนึกไปทำไปแก้ไปมันยังอีกหลายวันเนี่ยอีกแปดวันเก้าวันเริ่มทยอยเสียดอาหารนะาหน้าย่ายก็เทลงในร่องนะ่ะเสียดาหเหม็นในร่อง ในหลองน้าเศษอาหารต้องดูช่วยดูด้วยขับด้วยเศษอาหาราใช้เทลงร่องถ้ามีการล้างน้าสกรปรกลงไปก็น่าจะมีตะแกรงตะแกรงเก็บเศษอาหารใด้ลงไปในร่องลงไปเพราะไม่มีใครเหม็นเราเหม็นเองอเราไม่ได้ไปหยุดตรงนั้นด้วยเหม็นไครไม่รู้แหละ บ้านใหญ่บองก็รู้สึกรกแล้วเกินข้างหน้ามันแถวนั้นหรือออกบ้างมันรก <c oughs> ทำให้เธอมันมีเหตุผลจำเป็นต้องในทาสิ่งเหล่านี้มันเกืออคูณกับก <c oughs> ับวัดวาข้าพเจ้าประสงค์องที่ตั้งใจทา ความเพียรก็มีองคที่ท่านได้การได้งานจากงานสร้างทำตรงนี้ก็มีท่านก็อยู่ได้อยู่ได้บาเปลีได้อาศัยศึกษาพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมเราก็ได้อยู่ได้บาเพลี่ยนได้ศึกษาได้พระพุทธธรรมไ ด, ไ, ดได้ปฏิบัติธรรมมันเกิดประโยชน์ทําไงอ่ะมันมีกายมันยุ่งเพราะกายอะ อาหารนะคือเรื่องของกายของไม่มีอะไรใส่ให้กายใจกับทุกข์อีกนะเห็น ไ, ไหมอาวันนี้เอาเท่านี้แหละ